you <laughs> ญาติกรลมและก็อตุลโมธนาบุญกับญาติธรรมนักปฏิบัติอีกครั้งเลยเมื่อกลางวันได้นั่งดูนักปฏิบัติเดินจงกลมเ่ยแล้วก็ปฏิบัติกันก็รู้สึกว่านักปฏิบัตของเราเนี่ยฉลาดขึ้นมีสติปัญญามากขึ้นรู้จักวิธีการคลายเครียดจากการปฏิบัติก็ดีจากการห้าม ไม่ให้พูดคุยกันก็ดีก็เห็นนะบางคนก็เดินผ่านมายกมือไหวาการยกมือไหวก็คือเป็นการคลายเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางคนยิ้มให้เขาไม่ให้พูดแต่ยิ้มให้เพราะนี่กป็ใช้ได้ดีกึ้มาขั้ น, า น, นบางคนดีกว่า น, นี้ยิ้มให้ไม่พอจะบอกไม้บบกมือบางคนทำทั้งสี่อย่างเลย ยกมือไหว้ยิ้มโบกไม้โบกมือและแถมยังทำผมรู้นะในการที่ทำอย่างนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการารู้สึกผิดว่าเราเราเริ่มพูดในใจเข้าไปแล้วไม่เป็นไรหรอกสี่อย่างเนี่ยถือว่าใช้ได้คลายเกลียดแลวบรรคายได้จริงๆแต่ขอเตอมิมอีกอย่างหนึง่ง วิธีการคลายเครียดที่ดีที่สุดจะทําอะไรก็ตามจะยกมือไหว้จะยิ้มจะบกมา้าโบกมือหรือทําการอะไรตา่างๆให้เรามีความรู้สึกตัวที่กระดะกระทําด้วยอันนี้ดีที่สุดเลยปิดท้ายด้วยความรู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรมีสติปปแล้วคําถามมันก็ว่าปฏิบัติแบบนี้ใครปล่อยวางปล่อยวางแล้วเอ สิ่งที่เป็นวัตถุสิ่งที่เป็นอย่างที่ว่าเนาะความอยากอะไรทั้งหมดเนี่ยเราจะทิ้งหมดเลยเหรออะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าไคําถามที่ดีนะก่อนที่เราจะปล่อยวางอะไรได้ เ, เราต้องมีสติปัญญารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยถ้ายึดมั่นถือมั่นแล้วมันเป็นทุกข์เราจะได้ระวังเราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ท, ท, ทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราการเกี่ยวข้องกับครอบครัวก็ดีการแสวงหาเงินทองก็ดีการทำหน้าที่อะไรก็ดามแต่เราต้องรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องใยการขาดสติขาดปัญญาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่แล้วพอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็เป็นทุกข์การปล่อยวางเนี่ย อยปล่อยเพราะอยากปล่อยวางต้องปล่อยเพราะรู้ความจริงอย่างเช่นเวลาร่างกายเราป่วยไขยเย้เวลาร่างกายป่วยไข้เนี่ยกายป่วยทําไมใจจริงเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยยิ่งยิ่งร้ายกาจมาก <c oughs> ใจของเราเนี่ยอย่างเช่นมันเกิดความรักขึ้นมาความรักเนี่ย มันแน่นอนไหมความสุขจากความรักมันแน่นอนไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปบางทีคนคนเดียวกันเนี่ยเรารักเขาวันนี้วันรุ่งขึ้นเราจะเปลี่ยนเขาก็ได้ถ้าว่าเราไม่เข้าใจในความรักที่มันเปลี่ยนแปลงได้ เ, เราเข้าไปยึดมั่นจีมั่นรักเต็มร้อยอย่างนี้แล้วเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะมีทุกทันทีเลยเพราะไม่รู้ความจริง การปฏิบัติเนี่ยมันเป็นการทดลองทดลองให้เรียนรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่าเนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเลยอย่างร่างกายจะไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันเมื่อยเนี่ยเราบังคับมันได้ไหมธรรมชาติของมันเนี่ยมันต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยตัปวดตัเมื่อยเป็นธรรมดาเรารู้ความจริงแล้วอ๋อล่างกายเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนทีนี้เวลาเราจะเกี่ยวข้ อ, ของกับร่างกายเราต้องเผื่อไว้ เผือไม่ว่าอ๋อบางทีมันเจ็บไข้ได้ดป่วยเราก็ต้องดูแลรักษามาในเวลาเราเกิดความรักขึ้นมาเนี่ยรักอีกครั้งนะถ้าเราไม่เผื่อใจว่าสักวันหนึ่งเราต้องผิดหวังจากความรักเราจะเป็นทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเราเผื่อใจว่าโอ้ความรักไม่แน่นอนถึงแม้จะรักก็ไม่รักแบบทุ่มเทเต็มเต็มร้อยพร้อมใจที่ว่าเจอความผิดหวังเราจะได้สบายใจได้ การปฏิบัติเนี่ยคือการให้กลับมาดูตัวเราที่ห้ามไม่ให้พูดเราไดมีเวลากลับดูตัวเราที่ห้ามไม่ให้ไปนสนใจสิ่งภายนอกมากมายเพื่อจะได้กลับมาตัวเราจะรู้ว่ากายเราใจเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันไม่เที่ยงมันมาคับบัญชาไม่ได้ต้องฝึกที่จะรู้ความจริงพอรู้บ่อยๆเข้าเนี่ยเราก็ไม่อยากยึดมั่นถึงมันแล้วแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะ ฝึกให้ปล่อยวางแต่ไม่ได้ให้ปล่อยทิ้งเวลากายป่วยไข้ก็ต้องรักษาแต่เผื่อใจไว้ได้วยว่าบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายฝึกฝึกให้เรารู้ความจริงสักกว่าเราจะปล่อยวางได้เราจะได้มีสติปัญญาใช้ร่างกายที่มันแปลป่วยอย่างเงี้ยเอาไปทําประโยชน์เอาไปดูแลครอบครัวเอาไปทํางานแล้วก็ไม่ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ใช้เป็นประโยชน์ อันนี้แค่วิธีคิดแล้วพอจะเข้าใจได้วิธีคิดเราจะเข้าใจได้ถ้าเรามีการปฏิบัติเนี่ยจิรู้สติรู้ทุราบ่อยๆเนี่ยมันจะเข้าถึงความจริงตรงนี้อยากจะรู้ความจริงเราต้องไปหัวใจตั้งเชี่ยวเขาบอกที่ปฏิบัตินี่คือไม่มีความคิดหรือว่า อ, อไม่มีความคิดที่ไม่ดีคล้ายๆว่าเป้าหมายที่ปฏิบัติ <c oughs> คือไม่มีความคิดหรือว่า ไม่มีความคิดที่ไม่ดีแต่ยังมีความคิดต่างอื่นไม่มีความคิดไม่ดีนะแต่ว่าผิดปกติคนทุกคนต้องมีความคิดเราจะเพ่งเกินไปประคับติดเกินไปจนความคิดไม่สามารถจะเกิดได้ไม่ดีเราจะไม่มีสติปัญญาจะไม่รู้เห็นว่าความคิดนี่มันไม่เที่ยงการที่มีความคิดเราเพ่งตัวเราเครียดธรรมชาติมันต้องคิด แต่เมื่อคิดแล้วให้รู้ทันว่าอ๋อความคิดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดความคิดสอนให้เรามีสติปัญญาความคิดสอนเราได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นอย่าห้ามความคิดอย่าบังคับความคิดปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันคิดขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ความจริงว่าความคิดเนี่ยมันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยี่เขากาวจะมีสติเลย เขาบอกว่าความคิดเยอะมากเวลาเดินจุกงยิ่งเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเห็นน่นเห็นนี่ความคิดเยอะมากเ ล, เกกลยก็บอกว่ามาแบ บ, บ, บ, บ, บมาหมดเลยทนี้ทงก็ถามเขาว่าแล้วเธอชอบไหมเขาบอกไม่ชอบไม่ชอบความคิดเราจะรู้ความจริงได้อย่างไรความคิดเยอะนะมันดีเราจะได้มีสติเยอะๆไงความคิดเยอะความคิดมากเพราะว่าสติเราเนี่ยยังอ่อนอยู่ยังไม่มีกําลัง เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญคืออย่าไปห้ามความคิดอย่าไปรังเกียจความคิดอย่าไปยุ่งกับความคิดปล่อยให้ความคิดทําหน้าที่คิดนั่นคือที่ยึดความคิดแต่ที่ยึงเราก็คือเจริญสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของกายมากๆเราขยันเจริญสิต่อไปเรื่อยๆแล้วสติมันจะมีกําลังแล้วต่อไปความคิดก็จะลดน้อยไปเองยิ่งห้ามความคิดยิ่งไม่ให้มันคิดมันก็จะคิดมาก และยิ่งตามความคิดความคิดมันก็จะเยอะเรามีหน้าที่คือมารู้กับการเคลื่อนไหวอย่าไปนสนใจความคิดหน้าที่ของนักแบสคือรู้กับการเคลื่อนไหวตั้งใจรู้ที่กายเคลื่อนไหวความคิดเป็นเสมือนหนูสติเป็นเสมือนแมวตอนนี้แมวยังตัวเล็กอยู่หนูมันตัวโตเราต้องเลี้ยงให้อาหารแม่มากๆคือการเจริญที่บ่อยๆให้อาหารแมวมากๆพอแมวมันโตแล้วเนี่ย ไม่ต้องบอกให้แมวไปจับหนูหรอกแมวมันจะไปตะครุบหนูเหมือนสติเรามากแล้วเนี่ยมันจะเป็นจัด ก, การความคิดเองความคิดมันเยอะหนูมันมากไม่เป็นไรหรอกถ้าแมวมันจับหนูได้ข้างหนึงต่อไปมันสนุกในการจับหนูสนุกในการจับหนูต่อไปแมวก็จะโตดียิ่งจับหนูมากๆ ม, มันยิ่งเก่งยิงมีกําลังสําคัญที่ว่าอย่าไปให้อาหารหนูโดยการไม่ยินสติไปคิดตามปัญหาของคุณก็คือ ลังเกียดความคิดความคิดมันจริงเยอะอันนี้คือปัญหาใหญ่ต่อมาก็คือเราจเจริญสติน้อยไปหน่อยอกําลังสติเรายัางอ่อนอเราจึงแพ้ความคิดจงไปขยันจเจริญสติบ่อยๆแล้วเมื่อสติมากขึ้นมีกําลังความที่ก็จะลดน้อยลงถึงเวีปัจจุบันนี้ดีมากเรากลับไปสอนคนอื่นได้ไหมอย่าเพิ่งถ้าสอนคนอื่นเราจะไม่รู้กว่าจริงต้องสอนตัวเราก่อนสอนตัวเราให้ได้ และให้ไปสอนคนอื่นเราไปสอนคนอื่นให้รู้แต่เราก็ไม่รู้เท่าเดิมไม่ประโยชน์อะไรแปลว่าเวลาเขาเดินจงโกงบางทีเขาจะเห็นผีเสื้อบิน ม, มาผีเสื้อสวยงามมาแต่ว่าเราให้อยู่กับปัจจุบันนี่ก็เลยต้องมาอยู่กับท่าที่เดินทีนี้เราพยายามเอ็นจอยกับผีเสื้อที่สวยงาม นานนีสักหน่อยไม่ดีหรอคะเราหลงไปแล้วเราหลงไปหลงในความงองผีบเสือ้อจิตเราจึงหลุดไปเราจึงไม่รู้ตัวแต่เล่าก็เดินจงกรมเนี่ยเดินจงกรมอยู่นะแตงผีเสื้อสวยงามโอ้เราเห็นจิตเลยโอ้นี่จิตเราเนี่ยเกิดความชอบใจกวามสวยงามแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็มารู้สึกตัวการเดินจงกรมเราจะได้สติเราลืมตัว ไปติดในความสวยงามไม่รู้สึกตัวว่าใจเรากาลังคิดอะไรเรากาลังทำอะไรอยู่คนที่หลงในความสวยงามเนี่ยความสวยมันมีเสน่ห์ทีแรกแล้วต่อไปหลงในทางเข้านี่เราจะเป็นทุกข์เพราะที่เราติดในความสวยงามงนั้นจุดเด่นของการเจรอสติเมื่อจิตหลงไปแล้วแล้วมาตั้งรู้ใหม่อันนี้เป็นจุดเด่นเนี่ยหลงไปแล้วมาตั้งรู้ใหม่นี่เป็นจุดเด่นการเจอสติการมีสติ เป็นความสวยงามกว่าผีเสื้อสีเาบกว่าเวลาเขาเดินจะโกมเข้าอะไรเงี้ยจะมีความคิดมา เ, เยอะมากทีนี้ถ้าความคิดที่เกี่ยวกับอนาคตที่เรื่องดีๆเขาก็คิดไปมีความสุขไปแต่ถ้าเป็นความคิดที่เกี่ยวกับอดีตอดีตทีนี้ก็จะเศร้าไปแล้วแต่มันไม่มาที่รอบเดียวนี้ มาแล้วมาอีกมันก็เศร้าแล้วเศร้ายีค่ะแบบเนี้ยค่ะอย่าได้ไปนสนใจกับมันเลยถ้าเราโวไปนสนใจความคิดอนาคตซึ่งยังไม่มียังไม่มาถึงและความผิดหวังที่ผ่านไปแล้วี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ว่าเปล่าอย่าได้ไปนสนใจมันเรากลับมาตั้งสติให้รู้ตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวไว้ก่อนเราต้องอยู่กับปัจจุบันกับการเจริญสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้ก่อน ปัจจุบันน้ำคือความจริงหมิงเทียนยังไม่จริงจัวเทียนก็ไม่จริงปัจจุบันแบบหลุววาเทียนนะ่ะจริงกว่า mm hmm. เมื่อเรามีสติอยู่ปัจจุบันได้แล้วเนี่ยเราไปคิดถึงอนาคตอย่างมีสติเราก็ไม่ทุกไปย้อนถึงอดีตอย่างมีสติเราก็ไม่ทุกฝึกเตือนสติอยู่ปัจจุบันให้นานๆเนี่คือการปฏิบัติมื่อยู่ที่นี่เห็นแต่ไม่เป็น ไม่เข้าใจรับไม่เข้าใจด้วยความคิดหรอกเราต้องเจริญสติให้จิตมันตื่นสักหน่อยหให้จิตมันตื่นมันดีจะเห็นอ้าตัวอย่างชัดๆชื่ออะไรหวนจักหวงจักเห็นอาจารย์กำพลไหมแล้วเป็นอาจารย์กำพลรหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นหงวนจักที่ไม่พิการแต่อาจารย์กำพลก็ยังคงพิการอยู่ ความคิดรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีสีอะไรบ้างความคิดไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีสีความคิดเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเพียงแค่เป็นมายาภาพของจิตที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเราเห็นความคิดด้วยตาหรือเปล่าด้วยตาไม่เห็นความคิดหรอกแต่เห็นความคิดด้วยใจ ใจที่มันมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมาให้เขาไปดูความคิดมาถึงว่าเวลาคิดขึ้นมาให้รู้สิรูปร่างเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงมีหางหรือเปล่าลองให้เขาเวลาคิดขึ้นมาป้าไปเราดูสิว่าความคิดมันเป็นอย่างไรกันแน่แให้ดูเฉยๆมาถามว่าเนะี่ยคำถามที่แท้ของเขาเนี่ยคือ เห็นความคิดกับรู้สึกตัวที่เห็นความคิดก็เห็นความิดกับรู้สึกความคิดมันก็เหมือนกันไม่ใช่หรือคะหรือว่าเขาเข้าใจว่าต้องรู้สึกตัวที่ความคิดไม่ใช่เห็นความคิดเขามาเล่นคำเนี่ยก <unfolding S 1> <c oughs> ารเห็นความคิดการรู hearing, ้ความคิดเนี่ยมันไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเวลาเราเกิดความโกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าเราโกรธแต่ว่ารู้ในความโกรธมันก็ย <speaks W> <vens> <bask> ังเกิดความโกรธอยู่แต่ว่าเราเข้าไปเป็นผู้โกรธเรียบร้อยแล้วเราก็รู้ว่าโกรธนะทำไมความโกรธจึงไม่หายเพราะเราเข้าไปเป็นผู้โกรธนี่คือการรู้ความโกรธเท่านี้เรารู้ว่ามันโกรธอยู่เราจะออกจากความโกรธออกไม่ได้เพราะเราเอาเป็นความโกรธกับเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันเมื่อเราไปเป็นผู้โกรธเนี่ยความโกรธมันจึงไม่ดับ จนกว่าเราจะรู้สติมากๆากฝสติมากๆทําความรู้ตัวให้ต่อนเนื่อรู้เท่าทันความคิดบ่อยๆรู้บ่อยๆเนี่ยจิตไม่จตื่นจากผู้ที่เข้าไปเป็นกับความคิดเนี่ยออกมาเห็นความคิดตอนเนี้เรานั่งอยู่เสมอกันเราเห็นคนข้างหลังไหมเรารู้ไหมว่าตอนนี้มีคนนั่งอยู่ข้างหลังเรารู้ใช่ไหมเนี่ยแปลว่าจิตมันยังไม่ตื่น นายลองยืนขึ้นสิลองยืนขึ้นแล้วหันไปดูข้างหลังสิเราเห็นเลยโอนี่ข้างหลังมีนั่งกี่คนมีคนกี่คนแล้วลาจิตเราตื่นมันจิตเราตื่นจะมาอ้อเห็นแล้วไม่ใช่รู้อย่างเดียวแต่เห็นคนทั่วไปเนี่ยคือการรู้การ บ, บ่อยบ่อยอรู้บ่อยบ่อยจิตจะตื่นเริม่มจะเห็นความคิดจึงต้องให้เรามาฝึกสติมากๆกัน เวลากราบขอให้กราบพระเพราะว่าพระเป็นประธานให้กราบพระก่อนอ น, นะแล้วเสร็จแล้วที่สำคัญก็คือกราบด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็อย่าคิดมาถามอย่าคิดมาถามจะถามต่อเมื่อเราเจอปัญหาปับ๊บใครถามถ้าคิดมาถามเนี่ยมันไม่จบความคิดเยอะมากชอบจมเข้าไปในความคิดมันออกมาไม่ได้ทีนี้ อาจารย์สอนว่าเห็นแล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้โ น, น้นทีนี้ของเขาเนี่ยมันนี้มั น, ม, นมันเป็นหมดเลยค่ะจะทําทยังไงถึงไม่เป็นลีทองก็เลยถามว่าเมื่อกี้เพิ่งพูดนี่เขาบอกก็อยากจะให้อธิบายเพิ่มว่าไม่เป็นนี่คือไม่เป็นยังไงอ๋อไม่ได้เป็นเขาไม่เข้าใจเขาไม่พวกเขาไม่เข้าใจจริงๆอืเพราะว่าเราคําถามอย่างนี้แหละเราจะไม่เข้าใจได้ไ ด, ไ ด, ได้ผมตอบไปแล้ว <laughs> เราต้องไปไปฏิบัติดู แต่ขอหเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคุณเห็นผมไหมเห็นผมไหมถ้าคุณเป็นผมหรือเปล่าคุณเป็นผู้เห็นนี่คือผู้ถูกเห็นอันนั้นคือผู้เห็นมันเป็นคนละคนกันสติเรายัางน้อยอยู่ยังรวมกับความคิดอยู่แล้วสีมากๆมันจะแยกออกมาเองจะแยกระหว่างสติที่เห็นกับความคิดที่คิดต้องสติฝึกสติมากๆเท่านั้นเองวิธีการแก้ไข เรามีความคิดเยอะตอนเดินจงกรมหรือยกมือสร้างจังหวะวิธีการผ่อนคลายจากความคิดนั้นการเดินจงกรมมันคิดเยอะการยกมือสร้างจังหวะคิดเยอะเราลองเปลี่ยนมาจับไม้กวาดลองกวาดกวาดพื้นแล้วก็ให้รู้ตัวการกวาดพื้นดูซิตั้งใจทําการตั้งใจทำกับงานตรงนั้นปับ๊บจิตมันจะจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําและความคิดจะไม่ค่อยเกิดตั้งใจดื่มน้ํา เวลาทางข้าก็ตั้งใจทานข่าอาจจะ<ม>จดจอกับสิ่งที่เราทําการที่จดจ่อสิ่งที่เราทําการมีสติ<ม>สิ่งที่เราทําตรงนั้นจะสําคัญกว่าอย่าไปสนใจความคิดเลยแล้วความคิดมันจะไม่เกิดขึ้นอ่าก็บอกเออความคิดเยอะมากแล้วก็ไม่ชอบมันทุกข์มากอ่าแล้วก็บางทีก็ง่วงมากคือมีอยู่สองอย่างไม่ความคิดเยอะมากก็คือง่วงมาก ทีนี้ก็เลยนั่งอยู่ตรงนั้นยกมือด้วยสวดมนต์แบบจีนอะไรจริงจริงอะไรด้วยทีนี้ทําอย่างนี้ดีไหมรู้สึกสวนแล้วเบาหน่อยอ่ะถ้าสวดมนต์ก็คือความคิดแหะมันก็เยอะไปกับความคิดเกี่ยวกับการสวดมนต์เลยความคิดเยอะมากเลยลนะ่ะเพราะเราไปลังเกียจความคิดไปห้ามความคิดยิ่งห้ามมันก็ยิ่งคิดะนะอยอมรับบันอเออความคิดก็คือความคิดตอนนั้นเอง คนที่ปฏิบัติเนี่ยมีความคิดมากความง่วงมากถูกทางแล้วถูกทางการปฏิบัติแล้วต้องผ่านตรงนี้ก่อนให้เราวางใจใหม่ทำใจใหม่นะเวลาเกิดความง่วงนยเราก็มีสติรู้เออง่วงก็ดีนะง่วงดีกว่าคิดมากเวลาเจอความคิดเออคิดก็ดีนะมันจะได้ไม่ง่วง ให้มีสติรู้อย่างเงี้ยคิดก็ดีจะได้ไม่ง่วงสติรู้ทันในความว่วงง่วงก็ดีจะได้มีคิดเราจะได้มีสติเนี่ยสติรู้ทันในความว่วงความคิดนี่ยการปฏิบัติในหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้การสวดมนต์ให้ความรู้ตัวตนเองจบเขาบอกว่าอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้มีสติติดต่อเหมือนลูกโซ่ทีนี้มีสติติดต่อ เหมือนลูกโซ่เนี่ยหมายถึงว่าเรายกมือชั่วโมงหนึ่ง แ, แค่นั่งพักหนึ่งนาทีแล้วห้าวีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรือคะอ่าอย่างงี้ลวงพ่อเทียนหมายถึงการมีสติต่อปลาลูกโซ่เนี่ยก็คือให้เรารู้สึกตัวเวลามันหลงไปแล้วก็เริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เนี่ยเวลามันหลงไปก็เริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่ทําอย่างเงี้ยทําให้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทำตลอดทั้งวันเนี่ อันนี้การเจสติแบบต่อเนื่องเขางรูขึ้เทียนไม่ใช่ว่าให้มีสติแบบต่อกันแบบแบบเชือกที่มันยาไม่ใช่ให้เหมือนโซ่คือหลงไปแล้วก็เริ่มต้นรู้ใหม่หลงไปเริ่มต้นรู้ใหม่อันนี้คือลูกโซ่เห็นไหมโซ่เวลามันคล้องกันเป็นไงมันคล้องมันจะมีปลอะที่มันมันต่อกันอะต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีสติเลยนะหรือ ม, มีสติตลอดเวลาทั้งวันแบอย่างนั้น คำว่าต่อเนื่องคื อ, อที่เวล า, ายกมือนั่งยกมือสร้างจังหวะว่ า, ามีสติใช่ไหมแล้วตอนจะลุกไปเดินจงกร ม, มเร า, ราก็มีสติตรงนี้ด้วยในว่าลุกไปมีสติตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปเดินจงกรมเวลาเราจะไปทานอาหารเราก็ต้องมีสติต่อเ น, นื่องไปที่ทานอาหารด้วยเนี่ยคือการเจริญสติให้ต่อเนื่องแบบนี้คือการต่ตอเ น, นื่งบบน อ, อนนงเป็นลูกโซ่การปฏิบัติที่มีสติเฉพาะการยกมือสร้างจังหวะหรือการเดินจงกรมนี้ อันนี้เรายังไม่ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแท้จริงการปฏิบัติท่านต้องต่อเนื่องกันทั้งวันการใช้ชีวิตของเราเนี่ยต้องมีสติต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันถ้าเราจะเรส่อในชีวิตประจวันให้ต่อเนื่องอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยเราไม่มีวันที่จะบรรลุธรรมเลยหลงแล้วก็รูห้หลงนี่หมายถึงว่าคือเข้าไปในความคิดแล้วใช่ไหมเขาพูดต้งนางพูดดีมากเลยสุดท้ายรีสงกันว่า พูดตังนานจะบอกเราว่าเขาบรรลุธรรมหรือเปล่าไม่ใช่สุดท้ายเขาบอกว่าเขาทํางานเกี่ยวกับคุนเล่นหุ้นอ่ะเขาบอกว่าเวลามันขึขึ้นลงลงเนี่ยใจมันก็คึ้ึ้นลงลงเหมือนกันนี่คือคําถามคือจะดูแลใจยังไงในเวลาขึ้นขึ้นลงลงเวลาใจมันขึ้นมันฟูเวลาพูดมันขึ้นนะก็รู้ทันพอแต่เวลาใจมันลงมาเวลาทุ้นมันตกใจมันลงแแบ ก็รู้ทันการที่ขึ้นแล้วไม่รู้ตกแล้วไม่รู้นั่นแหละคือการขาดสติเวลาหุ้นมันขึ้นจิตมันฟู<ฆ>เราเปสติรู้เราได้ไปฏิบัติธรรมแล้ว<ฆ>แต่เวลาที่พุ้นมันตกจิตมันแป๊บสติในนหละช่วยช้อนพุ้นให้มันขึ้นมาได้เกล้าสติแปลการเล่นหุ้นอาจจะรู้แจ้งในธรรมก็ได้อาจารย์พูดนิดหนึ่งว่าที่เขาทํา ชีพยอย่างเนี้ยมันมีความอยากไหมมันก็เป็นการพรรลัยใช่มครัมันก็เป็นการพรรลัยอย่างนี้เขาบอกว่าสมมุตินักกีฬานักกีฬาเหรียญทองของจีนแย่ๆเลยเขารู้สึกตัวอย่างดีเลยแต่แต่พวกนี้คงไม่มีใครบรรลุธรรมลัศนัยนั้นนะครับคําถามเขาการรู้สึกต<า>ัวเงี้ยไม่ใช่รู้สึกตัวหรอกคือการมีตัว รู้สึกตัวเนี่ยต้องออกมันไม่มีตัวจิตรู้ตัวที่แท้เขายังมีตัวหนูเนี่ยังไม่รู้สึกตัวเลยมีแค่สติธรรมดาแต่รรมดาถ้าเขาเล่นกีฬาอย่างรู้สึกตัวเวลาเขาชนะจิตก็ต้องปกติจะไม่ฟูไปตามอาการเวลาเขาแพ้<อ>จิตก็จะปกติเขาไม่ยึดมัน่นอยู่มั่นในความแพ้เขาบอกว่าอยู่บ้านความโกรธมาแล้วเขาก็จะบอกได้ว่า ไม่ได้นะกดไม่ได้เอทุกอย่างต้องเรียบร้อยอย่าอย่าอย่าไปทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บ้านเขาปฏิบัติอยู่แล้ ว, ลวเขาจะทําอย่างนี้แล้วเขามาที่นี่อเขาก็อยากจะเลอขึ้นมาอยากจะอเจียนแต่มันก็ไม่ออกสักทีทรมาณมากนะเรียดมากเขาเป็นคนที่เครียดน ะ, ะเขาแต่คนที่เอาจริงเอาจางังชีวิตเขาเนี่ยเอาจริงเอาจางังคือเป็นคนติดดีมั้ย เขากวตอนนี้เขาผ่อนคลายเยอะแล้วนะแต่ก่อนน่ะเครียดกว่านี้น <ะ S 1> อันนี้สิคนเนี้ยปฏิบัติ ด, ดีนะตั้งใจมากเลยตั้งใจมากมทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยการตั้งใจมากเพื่อต้องการให้ได้ผลเนี่ยมันจะมีการเพ่งมันจะมีการเครียดเอาจริงเอาจังตั้งใจมากให้มันดีเพราะกลัวจะไม่ดีครันนี้เอาไปอันนี้เราก็ เดินจงกรมเล่นเล่นและรู้สึกตัวเล่นเล่นยกมือสบายเราเล่นเล่นสบายทาเล่นเล่นทำแบบเล่นเล่นคือทําแบบไม่ต้องการที่จะได้อะไรมันเกิดอะไรขึ้นก็รู้ทันและปล่อยมันผ่านทําเพื่อจะทําอย่าทําเพื่อจะให้ได้อะไรอย่างเรานี่มันไม่เสียหรอกเราเราต้องดีดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ดีเราดีอยู่แล้วทันนี้เถอะเราจะดีขึ้นขอยสนุกกับการปฏิบัตินะ